ในตำรวจนั้นก็แสดงสีท้าสีหน้าไม่พอใจแต่ว่าก็ทำยังไงได้นะเสร็จแล้วก็เดินออกไปสักพักนี้ก็มีหัวหน้าสารมานะหัวหน้าสารนี่สงสัยจะเพิ่งลงจากบัลลังก์นะยังแต่งตัวเต็มยศเลยแต่พอมาถึงก็ไหว้สมีด็ก่อนเลยนะสมเด็จนี่รับไหว้ไม่ทันเลยนะ เพราะเพราะว่าสมิญต์นี่ตำแหน่งนี่ด้อยกว่าต่ำกว่าหัวหน้าสารเยอะแต่หัวหน้าสารนี่ก็ไหว้สมิญต์ก่อนแล้วก็ถามว่าจะมาติดต่อเรื่องเอาเด็กเข้าโรงเรียนนะปรากว่าหัเสมียตนี่ก็รีบเดินเรื่องให้เลยนะเอาแฟม้มนี่ไปให้ศึกษาธิการจังหวัดเซ็นแล้วก็ให้ผู้ว่าเซนที่จริงศึกษาธิการจังหวัดนี่อยู่นะ ไม่ได้ไปไหนหรอกนะแต่ว่ากับนายตำรวจคนนั้นนี่สมิญก็แก้งเตะ่วงเตะเรื่องแต่กับหัน้าสานี่แกก็ช่วยดีนะสมิญนี่ช่วยเหลือดีเดินเรื่องไม่นานก็เสร็จบอกว่าเสร็จแล้วครับหัวน้าศาลก็บอกว่าขอบคุณมากครับนะถ้ า, ากว่ามีอะไรจะให้ผมรับใช้ก็บอกนะครับนะยินดีช่วยเหลือสมิญฟังแล้วก็คงสะดุ้งนะเพราะว่า นะปกตินี่หัวหน้าศาลหรือว่าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่พูดเกษมเปนแบบนี้หรอกนะแต่นี่พูดว่าพร้อมจะรับใช้นะเรื่องนี้ก็จบก็ยังไม่จบทีเดียวนะเพราะวันหลายวันต่อมาหลวงพ่อจันลันก็ได้พบกับหัวหน้าศาลคนนี้แล้วก็ถามว่าทำไมหัวหน้าศาลนี่ไหว้เสมียนก่อนแล้วก็พูดจาอ่อนน้อมหัวหน้าศาลก็บอกว่ามันคนละหน้าทียนครับนะ ผมนี่เป็นใหญ่แต่เฉพาะเวลาอยู่บนบัลลังลงจากบัลลังแล้วผมก็ประชาชนเต็มขั้นนะไม่มีความหมายแล้วครับนะมันมีความหมายก็ต้องเมื่อได้ขึ้นบัลลังว่าราชการต่างประเทศัระกันหลวงพ่อจรร์ก็ประทับใจนะในในคำพูดแล้วก็พฤติกรรมของหัวหน้าสารคนนี้ก็ท่านก็เลยมาเล่าให้ญาติโยมฟังนะ อันนี้ก็เห็นเป็นความแตกต่างนะระหว่างในตํารวจใหญ่นะักขั้วหน้าสารที่จริงทั้งสองคนก็ใหญ่ทั้งคู่นะแต่คนนึงนี่วางอํานาจนะอีกคนนึงอ่อนน้อมถ่อมตัวและเมื่ออ่อนน้อมถ่อมตัวนี่ก็ได้รับความาร่วมมือเป็นอย่างดีนะจากเสมิ่งส่วนในตํารวจนี่ที่เจ้ายุดเจ้าอย่างนะ ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากเสมียนแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนี่เสมเด็จนี่เตะทวงนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับคนที่เป็นข้าราชการหรือว่าคนที่เป็นตําแหน่งนะไม่ว่าจะตําแหน่งแบบใดก็ตามนะว่าให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มันดีเสมอนะมันทําให้คนอื่นยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้วยให้ความช่วยเหลือ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 เราคงไม่เคยได้ยินแต่ว่าคงคุ้นเคยคําว่าวิญวัจกรไวิญวัตรกรที่เป็นคารวะนะแต่วิญวัจจมัยนี่พระก็ทําได้นะไม่ถือไม่ไม่ถือเลียกว่าไม่เห็นแต่ตัวคิดถึงแต่ส่วนรวมช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้เรียกว่าก็ได้บุญและ้ะเป็นจิตอาสาก็เรียกว่าบําเพ็ญวิญวัจจมยัยหรืออย่างเราทําบุญเสร็จแล้วเรากรวดน้ําอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับ